หมวดที่สปรปวรณาขันธกะหมวดปรวรณาเล่าเรื่องภิกษุที่จำพรรษาในแคว้นโกศลตั้งกติกาไม่พูดกันใช้วิธีบอกใบ้หรือใช้มือแทนคำพูดเมื่อออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามความทราบแล้วก็ทรงติเตียนและทรงอนุญาตการปรวรณา คือการอนุญาตให้ภิกษุอื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ทรงอนุญาตการปรวารณาในเมื่อจำพรรษาแล้วโดยให้สวดประกาศตั้งยัตติแล้วให้ภิกษุพรรษาแก่กว่าปวารณาก่อนสามครั้งภิกษุพรรษาอ่อนปวารณาทีหลังทรงห้ามไม่ให้นั่งลงกับพื้นคงนั่งกระยงจนกว่าจะปะวารณาเสร็จ คือให้ทุกรูปนั่งประยงรูปไหนเสร็จก่อนก็นั่งลงกับพื้นได้ทรงแสดงวันปวรารณาว่ามีสองคือวันสิบสี่ค่ำและสิบห้าค่ำและทรงแสดงปวรารณาสี่อย่างคือปวรารณาแยกกันที่ไม่เป็นธรรมปรวรารณารวมกันที่ไม่เป็นธรรมปรวรารณาแยกกันที่เป็นธรรม ปวารณารวมกันที่เป็นธรรมแล้วตรัสสอนให้ปวารณาเฉพาะรวมกันที่เป็นธรรมแล้วส่งแสดงการบอกปวารณาคือใช้ให้ผู้อื่นปวารณาแทนของภิกษุผู้เป็นไข้มีลักษณะคล้ายบอกบริสุทธิ์หรือชันทะในเรื่องปาติโมกและส่งอนุญาตให้ปวารณาในการสงต่อเมื่อมีภิกษุห้ารูปขึ้นไป ภิกษุสี่รูปลงมาถึงสองรูปให้ปวารณากันเองเป็นส่วนบุคคลถ้ามีรูปเดียวให้อธิษฐานคือตั้งใจว่าวันนี้เป็นวันปวารณาทรงแสดงการปรวารณาไปโดยไม่รู้ว่ายังมีภิกษุอื่นมาไม่ครบ15้าประเภทที่ไม่ต้องอาบัดและแสดงเงื่อนไขอื่นๆเหมือนเรื่องอุโบสถ อันหนึ่งทรงแสดงว่าเมื่อมีเหตุจำเป็นจะปะวารณาสามครั้งไม่ได้ก็ทรงอนุญาตให้ปวารณาสองครั้งหรือครั้งเดียวได้และให้ภิกษุผู้มีพรรษาเท่ากันปวารณาพร้อมกันได้การปรวารณานั้นคืออนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนได้ด้วยได้เห็นก็ตามได้ฟังก็ตามหรือนึกรังเกียจสงสัยก็ตาม อันหนึ่งส่งห้ามภิกษุที่ยังมีอาบัตมีให้ปวารณาถ้าขืนปวนารณาต้องอาบัตทุกกฎส่งอนุญาตให้ขอโอกาสแล้วโจดอาบัตได้ถ้าภิกษุผู้ต้องอาบัตไม่ยอมให้โอกาสเพื่อโจดอาบัตให้สงสวดประกาศหยุดการปรวารณาไว้อ้างเหตุว่าผู้นั้นผู้นี้ยังมีอาบัตอยู่แล้วทรงแสดงลักษณะที่หยุดการปรวารณาไว หรือหยุดไม่ได้เพราะปะวรารณาไปแล้วเป็นต้นมีภิกษุที่อื่นประสงค์จะมาก่อการทะเลาะหรือก่อให้เกิดอธิกรณ์ทรงอนุ ญ, ญาตรีปรวรารณาซะให้เสร็จก่อนที่ภิกษุเหล่านั้นจะมาถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ให้สวดปาฏิโมกแทนโดยเลื่อนวันปวรารณาออกไปอีกปักหนึ่งคือสิบห้าวัน ถ้าภิกษุที่ก่อเรื่องยังพักอยู่จนถึงปวารณาที่เลื่อนไปนั้นให้สวดประกาศเลื่อนการปรวารณาออกไปได้อีกปากหนึ่งแล้วสวดปาติโมกแทนถ้าภิกษุเหล่านั้นยังพักอยู่อีกแม้ไม่ประสงค์จะปะวารณาก็าต้องปวารณาหมดทุกรูปเลื่อนอีกไม่ได้สงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุข ถ้าปรวรณาแล้วจะแยกย้ายจากกันไปทรงอนุญาตให้เลื่อนวันปรวรณาไปได้อีกหนึ่งเดือน